1.17 การภาวนาให้ทำเหมือนคนวงนอกวงเล็บเปิด23มีนาคม2551ในวงเล็บ 2. จุ ด, จดนาที8วงเล็บปิดใจของเราเนี่ยมันยังไม่ได้พ้นจากความยึดถือฉะนั้นเวลาทำงานก็เข้าไปคลุกวงในอดเข้าไปคลุกไม่ได้หรอกเวลาตะลุมบอลก็ห้ามมันไม่ได้แต่พอหมดภาระใจที่เคยฝึกเอาไว้ดีแล้วก็ถอยออกมารู้สึกไหม ถอยออกมาอยู่วงนอกไม่เข้าไปคลุกวงในเวลาเราเข้าไปคลุกวงในก็ไปตะลุมบอลคราวนี้ทั้งหมดทั้งเท้าทั้งศอกทั้งเข่านะตะลุมบอลเข้าไปพอไปตีกับเขาเสร็จแล้วถอยออกมาก็ผ่านไปไม่รู้ไปตีกับเขาทำไมมันเหมือนเรื่องของคนอื่นทั้งหมดเลยอันนี้กระทั่งความรู้สึกทั่วๆไปก็จะรู้สึกนะเวลาพวกเด็กๆบางคนอกหกักบางคนมีปัญหาชีวิตอะไรอย่างนี้ บางคนกลุ้มใจแฟนเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้มันเหมือนเผชิญอยู่กับปัญหาเหมือนคลุกวงในอยู่มองปัญหาไม่ออกหาทางออกไม่ได้พวกคอนซัลเทนตในวงเล็บที่ปรึกษาถึงหากินได้พวกนี้ไม่ได้คลุกวงในแต่พอเราออกห่างจากปัญหามาปัญหามันผ่านไปแล้วนะเราจะดูดูเหมือนกับเรื่องของคนอื่นทั้งหมดเลยปัญหาที่เคยยิ่งใหญ่ก็ไม่ยิ่งใหญ่อีกต่อไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตผ่านไปหมดแล้ว แต่ถ้าเราเคยฝึกภาวนาทุกอย่างในชีวิตเราผ่านไปหมดแล้วนะเราก็เหลือแต่ความสุขความสงบของเราอยู่แต่คนที่ไม่มีการภาวนาพอหมดเรื่องนี้มันก็จะดิ้นหาเรื่องอื่นอีกเขาเรียกว่าแสหาเรื่องสังเกตไหมใครยอมรับไหมว่ามีนิสัยแสหาเรื่องจิตใจของเราเนี่ยแสทั้งวันมันเลยมีศัพท์คำหนึ่งคำว่าสายแสรู้สึกไหมสายไปแล้วก็แสหาเรื่อง จิตมีธรรมชาติสายแส่สายไปสายมาสายไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรผลักให้สายตั้นหาผลักให้สายพอสายไปแล้วก็แสหาเรื่องมาใส่ตัวเองวิ่งไปทางตาก็วิ่งไปเอาความทุกข์มาใส่ตัวเองวิ่งไปทางหูทางจมูกทางลิ้นวิ่งไปทางกายวิ่งไปคิดไปนึกก็วิ่งไปเอาความทุกข์มาใส่ตัวเองล้วนๆเลยตอนตะลุมบอลดูไม่ออกนะแต่คนวงนอกมองออก ทีนี้ทาอย่างไรเราจะสามารถฝึกจนเกิดคนวงนอกอยู่ในนี้การหัดเจริญสติกมามฐานเนี่ยมันจะทําให้เรากลายเป็นคนวงนอกสําหรับกายนี้ใจนี้เราจะมาอยู่วงนอกเราเห็นกายเห็นใจมันทํางานไปเราไม่เกี่ยวหรอกเราเห็นมันทางานไปเรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นจะทําผิดทําถูกทาดีทาไม่ดีมันเห็นได้ชัดเพราะเราไม่ได้คลุกวงในถ้าคลุกวงในแล้วมันจะเกิดอคติขึ้นมา ฉะนั้นเวลามีปัญหานะเราต้องแก้ปัญหาด้วยใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางเราจะมองปัญหาได้ชัดทีนี้กิเลสมันจะหลอกอุ้ยต้องทุ่มให้สุดเนื้อสุดตัวโดดเข้าไปคลุกวงในแก้ปัญหาได้ไม่ดีเพราะมองอะไรก็ไม่ชัดมองอย่างคนนอกจะมองง่ายแก้ปัญหาง่ายเป็นคนวงนอกเราก็เห็นเลยกายมันไม่ใช่เรารู้สึกไหมกายอยู่ห่างๆจะรู้สึกทันทีเลยกายอยู่ห่างๆ เวทนาความสุขความทุกข์อยู่ห่างๆกุศลอกุศลอยู่ห่างๆเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านเราไม่เข้าไปคลุกกับเขาดูอย่างนี้นะทุกอย่างจะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปให้ดูภาวนาแล้วจะมีแต่ความสุขพระพุทธเจ้าสอนเราให้ฝึกจิตฝึกใจของเรานะจนจิตใจเราตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่คลุกวงในพอพระพุทธเจ้าสอนเรา จิตใจของเราก็ตั้งมั่นขึ้นมาบทเรียนที่ทำให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าจิตตะศิขาจิตตะศิขาเราจะศึกษาไปจนจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาเป็นแค่คนดูเป็นแค่ผู้สังเกตการไม่ใช่นักประพันธ์ไม่ใช่นักวิจารณ์ไม่ใช่นักแสดงเป็นแค่คนดูพอดูแล้วคราวนี้เห็นชัดเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทางานนี้ไม่ใช่เราสักอันหนึ่ง ร่างกายที่ทำงานอยู่ไม่ใช่เราเวทนาสุขทุกข์เฉยๆไม่ใช่เราสังขารที่เป็นกุศลอกุศลไม่ใช่เราจิตที่เกิดดับทางทวารทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่เราดูอย่างนี้นะมันถอนเอาความเป็นเราออกมาแล้วมาคอยรู้คอยดูอยู่เรื่อยๆทำตัวเป็นแค่คนดูถ้าคลุกวงในจะไม่เห็นเหมือนเขาเตะฟุตบอลกันนะเราอยากดูให้ชัดนะ โดดลงไปยืนกลางสนามเราจะเจอเท้าสี่สิบหกข้างดีไม่ดีโดนเหยียบหลบคนนี้ก็เจออีกคนอะไรอย่างนี้ถ้าเรานั่งบนอัธจันดูเราจะเห็นหมดเลยเห็นภาพชัดหรือเหมือนคนชกมวยกับคนดูมวยนะคนชกมวยมันเก่งแสนเก่งเวลาชกนะไอ้พวกที่ยืนข้างเวทีเป็นคนสอนชกตรงนั้นสิชกตรงนี้สิถ้าเป็นหลวงพ่อเป็นนักมวยจะหันมาชกไอ้พวกที่ยุ่นี่ มันก็ดีแต่พูดแหละเพราะมันไม่มีส่วนได้เสียมันดูง่ายใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าเมาหมัดนะเวลาภาวนาห้ามเมาหมัดจำเอาไว้อย่าคลุกวงในอย่าตะลุมบอลกับกิเลสดูอยู่ห่างๆไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นดูห่างๆเอาไว้คำว่าในเครื่องหมายคำพูดดูห่างๆนี่เป็นสภาวะนะถ้าภาวนาเป็นถึงจะรู้สึกถ้าภาวนาไม่เป็น ดูห่างๆไม่เป็นไม่เข้าใจหรอกว่าห่างอย่างไรได้ยินหลวงพ่อพูดแล้วก็งงๆถ้าภาวนาเป็นจะรู้เลยกายกับจิตเนี่ยมีระยะทางนะมีช่องว่างมีระยะห่างจิตกับเวทนาก็มีระยะห่างใช่ไหมจิตกับสังขารก็มีระยะห่างเนี่ยแถมจิตที่มีระยะห่างยังเกิดดับเสอีกไปไปมามาหาตัวเราไม่ได้สักตัวเดียว